นะใครใครก็ดีอย่าไปลืมนะกติกานะจำให้แม่นนะใครตีกันนะต้องให้ศึกนะไม่มีข้อแม่ใดทั้งหมดจำไว้ให้ดีนะถ้าใครอยากอยู่กับหลวงปู่แล้วก็อย่าไปตีกันนะ ใครก็ช่างเราไม่เลือกที่รักผักที่ชั้งใครทำผิดกติการนี่ต้องซึ ก, อ, กอนเรารู้กันอยู่นี่สถานนี่เป็นสถานที่ปฏิบัติฝนะึกแค่เป็นคนดีนี่เมื่อมันเอาดีไม่ได้มันก็ไม่ต้องอยู่ร่วมกันเนี่ย เพราะเป็นนักบวชนี่ไปทุกไ ป, ปตีกันนี้มันไม่ใช่วิสัยของนักบวชอะต้องให้เข้าใจนักบวชนี่ต้องเป็นคนใจดีต้องอดทนนะก็สอนอยู่แล้วนี่ต้องอดทนต่อความกระทบกระทั่งต่างๆเ mm. ช่นนั้นจึงเรียกว่านักบวชต้องเป็นคนใจหนักแน่นนะ ไม่ใช่เป็นคนใจเบานักบวชเราฝึกตนไปในเป็นนักบวชเนี่หากว่าอยู่ไม่ได้สึกออกไปอย่างนี้มันก็ยังได้ใช้นิสัยอันนี้มันก็ติดไปมันก็เอาไปใช้ในสังคมทางโลกเขา พอได้รับยกย้องจากเพื่อนฝูงคนอดทนอดกัน้นเมื่อได้รับความกระทบกระทั่งแล้วไม่โกรธไม่ฉุนชิวอดได้ทนได้อย่างนี้นะเป็นที่รักของคนทั้งหลายสิถ้าใครใจหลอดแหลวได้รับรับความกระทบกระเทือนอะไรหน่อยถึงเโกรธเป็นฟืนเป็นไฟย่อมไม่เป็นที่รักของคนทั้งหลายเลย ตลอดถึงเทวดาก็ไม่อนุโมทนาถต่ผู้ใดอดได้ทนได้เทวดาก็รักก็อานุโมทนามันเป็นอย่างนั้นเลยต้องให้เข้าใจเราเป็นนักบวชนี่เราต้องรู้ธรรมของนักบวชที่นั่นนี่กนนักบวชก็ยังเป็นนักเสียสละนะ เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างพระพ <c oughs> ุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างนะครั้งหนึ่งพระองค์สร้างขันติปรมีจะได้ออกบวชชาตินั้นนั้นมีมีเมีย เมียสวยงามมากเทียวพอแต่งกันมาแล้วไม่นานเลยชวนกันออกบวชเป็นฤาษีแบบนี้เที่ยวไปพักอาศัยอยู่ในสวนอุทยานของพระราชาเมืองพระราศี พระราชาในครั้งนั้นก็เป็นพระเทวทัตนี้เองแหละเมื่อกลับชาติมาสเสด็จประพาสสวนอุทยานไปเห็นภ <c oughs> รรยาเก่าของพรฤศีสวยงามมาก เ, าเกิดอยากได้ขึ้นมาใช้อำนาจของพระราชา สั่งให้พวกอำมาดควบคุมตัวอดีตภรรยาของพระฤาษีนั้นกลับเข้าไปในวงังส่วนภรรยาของพระฤาษีนั้นเพื่อนอระจงรักพักดีต่อสามีจริงๆได้อธิษฐานในใจข้าพระเจ้านี่ ออกบวชตามสามีมาไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นเลยมุ่งหวังพระนิพพานเป็นที่ตั้งด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้ก็ขอให้พราเจ้าพ้นจากอำนาจบัตใหญ่ของพระราชาผู้ใจดำอมหิตนี้ไปนางอธิษฐานอย่างนั้นทีแรกพระราชาก็ให้ เจ้าหน้าที่เอาไปกักไว้ห้องห้องหนึ่งต่างหากพอตกค้ำลงมาพระราชาก็จะไปสมาคมด้วยพอดีไปจับไปรูกตัวเข้านี่โร้นผ่านไฟเลยแต่ตองไม่ได้เลย่นี้ในที่สุดก็ต้องสั่งให้ พวกอมาตั์จเอานางตาปะสินีคนนั้นไปส่งให้พระฤาษีตามเดิมอันพระฤาษีนั้นถ้าหากว่าเพื่อนโกรธขึ้นมางี้ก็จะต้องทำร้ายพระราชานั่นได้อย่างไม่สุกสถานเลยเพราะว่าพระ พระโพธิสัตว์เนี่ยย่อมมีกำลังเท่ากับเจ็ดช้างฉานนู้แต่แล้วพระฤาษีนั้นอดด้ทนได้เขามาแย่งเอาคู่รักคู่บารมีไปต่อหน้าต่อตาก็ไม่โกรธอดทนเอาถ้าหากว่าพระฤาษีโกรธ ไปทำร้ายพระราชาพวกเจ้าหน้าที่นั้นก็จิตต้องทำร้ายพระองค์ก็ต้องย่อยยับไปด้วยกันอย่างนี้แล้วก็เป็นนั้นว่าผูกเวีนกันไปอีกแต่พระฤาษีท่านไม่โกรธท่านไม่ผูกเวีนกับใครพระโพธิสัตว์นั่นนีดยเอานาจแทงความอดความทนอ น, นั้นก็ ได้อดีตพันยาคืนมาตามเดิมคำว่าออกบวชด้วยกันหมายควมว่าตามคนต่างอยู่นะไม่ใช่อยู่ร่วมกันนะเพียงแต่ว่าไปไปด้วยกันเฉยๆอยู่คนละที่ละแห่งเพื่อนเป็นนักบวชนักบวชจริงๆไม่โลเลเหลวไหลนั่นแหละรักษาศีลรักษาเอาจริงๆ เบงญาอโพธสัตว์เนี่ยเพราะฉะนั้นพระบารมีจึงค่อยแก่กล้าพวกเราที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะเราไม่ได้ปาถนาเป็นพะพุทธเจ้าแล้วก็ออก็ต้องสร้างบารมีตามพระพุทธเจ้า น, นั่นต้องมีความอดความทน <c oughs> เมื่อผู้ใดอดกั้นทนทานต่อความชั่วร้ายของผู้อื่นได้ผู้นั้นก็ไม่มีเวรไม่มีภัยติดตามจนไปไปเกิดชาติใดก็มีแต่มิตรมีแต่แตสาหายมีแต่บริษัท บ, บริวารที่จงรักภักดีต่อแล้วก็เป็นผู้มีอนุภาพมาก มีมีคนยำเกรงออออมีคนเคารพยำเกรงมากอันนี้สงแห่งความอดทนไม่ใช่ว่าบุคคลใดนั่น เป็นผู้โกรธแล้วก็ใช้อำนาจบาดใหญ่กับคนอื่นเพื่อจะให้คนอื่นเขากลัวอย่างนี้อันนั้นมันคิดผิดไปอันหัวใจของคนนี่เนะี่ยมันย่อมจะไม่กลัวกันหรอกความจริงนะแต่มันกลัวแต่กำลังกายไม่สู้กันไม่ได้เท่านั้นเอง แต่ภายในจิตใจมันไม่มีกลัวใครถ้ามันต่อสู้ซึ่งหน้าไม่ได้มันก็ผูกอาฆาตไว้คอยทำลายล่างผลานรับหลังอย่างที่เขาประหัสประหารกันอยู่ในโลกวันนี้เนะ่บางทีมันกบประหารกันซึ่งหน้า <c oughs> <c oughs> บางทีมันก็ประหารรับหลังเอาขึ้นถือว่าความโกรธความผูกโกรธว้ในใจแล้วมันไม่มีดีแม้แต่น้อยเดียวดัง น, นั้นทุกคนนะเมื่อหวังความสุขความเจริญแก่ตนแล้วอันความโกรธนั้นมันห้ามไม่ได้ดหรอกผู้ใดยังละกิเลสเหล่านี้ไม่ได้มันก็เป็นธรรมดา แต่อย่าไปผูกโกรธไว้ในใจเมื่อรู้ว่าตนมันเผลอไปโกรธขึ้นมาแล้วก็รีบกาหนดใจละมันไปทันทีเลยอย่าไปผูกโกรธนั้นไว้ในใจเช่นนี้ท่านก็ยังกล่าวว่าคุณนั้นเป็นนักปราชญ์อยู่ <c oughs> กงกันข้าม คนใดเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วครูโกรธไว้ไม่ลืมเป็นอันนั้นท่านกล่าวว่าคนพา น, น่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องทําตัวเป็นนักปราดเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของพรนะพุทธเจ้านั่นนะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบําเพ็ญคันติบารมีมาฉันใด เราผู้เป็นลกศิษย์ของพระองค์ก็ต้องบำเพ็ญขันติบา ร, รมีตามพระองค์ไปมันต้องนึกอย่างนั้นต้องทำในใจอย่างนั้นจ mm hmm. ึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จริงๆ mm hmm. เพียงแต่นับถือเฉยๆลราจะไม่ลกกิเลส ไม่เพียรลากกิเลสเหล่านี้เช่นนี้การนับถือนั้นมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยได้ผลก้ น, นี้นิดนหน่อยเป็นเพราะเพรานั่นนะหลอไม่ได้ผลมากถ้ามันจะได้ผลมากนั่นมันต้องลงมือปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์อย่างว่ามาแล้วเนี่ยนะอดกั้นทนทานต่ออานาจความชั่วฝ่ายต่ําอย่าให้ อย่าให้ใจมันหลงไปยึดถือเอาความชั่วอันเป็นฝ่ายต่ำนั้นมาไว้ในใจแลาต้องพยายามสำรวมใจรักษาใจของตนทุกวันทุกเวลาทุกนาทีไม่ให้มันหลงไหลไปตามสมมุติของโลกอะอนี้น สมมุติของโลกนี่มันก็เป็นสมมุติสัจจะเป็นความจริงเหมือนกันเนะช่นสมมุติว่าดีสมมุติว่าชั่วหมดนี้นะมันก็เป็นความจริงนะพระพุทธเจ้านะนะั่นแ่ะทรงสมมุติขึ้นก่อนคนอื่นทั้งหมดเช่นอย่างปานาติบาตอย่างนี้การฆ่าสัตว์แกล้งฆ่าสัตว์ให้ตายหมดนี้มันก็เป็นบาปเป็นความชั่ว แต่ก็เป็นสมมุติอันนึงสมมุติไปฝ่ายชั่วหมายความว่าอย่างนั้นแหละ <c oughs> อธินาทานถือเอาสิ่งของของคนอื่นที่เจ้าขอ ง, ของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยันนนนีน่ดีการประพฤติผิดมิตรช้าจา์กรรมทำชู้กับสามีหรือภรรยาของคนอื่น ก็ดีการกล่าวเท็จพูดคำไม่จริงพูดส่อเสียดยุยงให้พวกอื่นแตกสามคีกันพูดคำหยาบคายด่าแช่งูเนี่พูดเพอ้เอเจ้อเล้วไหลพูดอันใดหาประโยชน์ไม่ได้โมนี่ ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอ ต, อต่างๆพวกนี้นะนี่มันเป็นความชั่วมันเป็นสมมติฝ่ายชั่วทั้งนั้นเลยถ้าใครร่วงเคินก็เป็นบาปจริงๆบาปนั้นมันก็ตามสนองให้เป็นทุกขก์จริงๆแต่ก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วว่อยๆอยู่นั่นแหละ ความชั่วดังกล่าวมานี่เมื่อไม่ถึงเวลามันจะให้ผลมันก็ยังไม่ให้ผลก่อนออทำชั่วลงไปอย่างนั้นแล้วก็วเหมือนไม่ได้ทำนี่เมื่อเวลามันยังไม่ให้ผลทำแล้วก็วเลี้วไปเฉยนี่เป็น ง, งั้นคนมันก็ชะล่าใจตรงนี้แหละนึกว่าทำชั่วอย่างนั้นลงไปแล้วมันจะไม่มีผลตอบสนองก็เลยทำไปเรื่อย ความเข้าใจผิดแท้ๆอันนั้นนะเพราะมันไม่นึกถึงไม่ไม่พิจารณาเหตุผลต่างๆมาประกอบเข้ากันหันท่าพิจารณาเหตุผลต่างๆมาประกอบเข้าเหตุภายนอกมาประกอบกับเหตุภายในอย่างเหตุภายนอกเช่นอย่างเขาทำนาทำสวน มื่อนี่พอทําลงไปไม่ใช่ว่ามันเป็นต้นเป็นกอขึ้นทันทีแล้วผลิตดอกออกผลทันทีเลยมันก็ต้องว่ากันไปสามเดือนบ้างสี่เดือนบ้างห้าเดือนบ้างนู่นกลัวมันจะพลิต ด, ดอกออกผลให้เพออืเ่อดังอย่างก็ต้องว่ากันเป็นสองปีสามปีสีปีไปนู่นกลัวจะพลิต ด, ดอกออกผลมาได้นี่ตั้งแต่ เพืดพันธัญญาหารในโลกอันนี้นะมันก็ยังมีเวลาให้ผลนะเออมันยังมีเวลาให้ผลไม่ใช่ว่ามันไม่ไ ม, มีกําหนดกฎเกณฑ์อะไรไม่ใช่มีมีกําหนดกฎเกณฑ์เหมือนกันนะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเราทํากรรมชั่วลงไปแล้วบางอย่างก็ให้ผลปัจจุบันนี่มีอยู่เช่นอย่างไป ฆ่าคนอื่นเขาหรือไปฆ่าสัตว์ที่เจ้าของกองวงเห็นเข้าไป อ, อก็ดีไปรักทรัพย์ของผู้อื่นก็ดีออไปประพฤติผิดในฉาจารคำถ้าหากว่าไปประพฤติล่วงภรรยางคนอื่น อ, อสามีเขารู้เขา้าเขาเอาเรื่องอย่างนี้มันก็มีมีโทษนะเออมันเป็นยงั้น นไปพูดหลอกลวงช่อกงเอาสมบัติผู้อืู่เดินไปของชนนะถ้าเขารู้เข้าอย่างนี้นะเขาแจ้งตำรวจจับเข้าไปฟ้งร้องก็มีโทษติดคุกติดตารางนะอันนี้การดื่มเหล้าเมาสุรามือนี่ถ้าว่าไปทุบไปตีผู้อื่นใครถึงเจ็บปวดหรือว่าล้มตายลงนะก็ต้องให้ผลปัจจุบันนี่แหละต้องไปติดคุกติดตารางนะอืม นี่แหละเพราะว่ากรรมชั่วเหล่านี้นะ่ะบางทีมันก็ให้ผลปัจจุบันนี้เลยอบางทีมันก็ไปให้ผลเอาในชาติหน้าแต่บางอย่างมันมันให้ผลทั้งในชาตินี้ทั้งในชาติหน้าเอชาตินี้ก็ไปติดคุกติดตารางเมื่อตายลงไปแล้วก็ไปตกนรกอาวายภมพไม่ใช่ว่าไปติดตารางแล้วมันพ้นบาปพ้นกรรมไม่ใช่ มันเพียงแต่พ้นโทษตามกฎหมายบ้านเมืองเท่านั้นเองแต่ว่าบาปกรรมที่ทำเรานั้นน่ะมันยังไม่ได้สนองเต็มที่ยังไม่ไม่พ้นมันต้องไปตกนรกสะกอ่อนเช่นนี้แหละพ้นจากนรกมาแล้วมาเป็นเปรตเพราะว่าเศษบาปมันยังเหลืออยู่นี่มันยังไม่หมดพ้นจากเปรตมาแล้วเศษบาปก็ยังไม่หมด ก็มาเป็นอสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากสัตว์เดรัจฉานแล้วเศษบาปก็ยังไม่หมดมาเกิดเป็นคนกับเป็นคนทุกพลภาพพิกลพิการต่างๆตาบอดหูหนวกแขนด้วนขาด้วนอะไรต่ออะไรไปอย่างนี้นะ <c oughs> เราเห็นกันอยู่ดาาดืน่นไม่เถิดเลยในโลกอันนีนะ้นี่แหละ ไอบาปกรรมที่มันตามนําสนองอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะพ้นง่ายๆนะพ้นจากหนักก็มาสเสยยับเบายางเบาออืย่างกลางแล้วก็อย่างเบากูนะมันติดสอยห้อยตามมามาเกิดเป็นคนวิกลพิการอยู่ก็ไม่รู้ว่าขีราชเนี่ยกลัวจะหมดกรรมหมดเว้นอันนั้นแล้ววันนี้บุญกุศลที่พู้นั้นทําไว้มันก็ ตามให้ผลต่อบว่านี่นะก็เลยเกิดมาเป็นคนดีว่านี้คนมีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์ดีเพราะว่าบุญที่ทําไว้แต่ก่อนนั้นมาตกแต่งให้แต่แล้วส่วนมากก็ไม่ค่อยมีปัญญามักเป็นคนใจดําคนพ้นจากนรกมานี่นะเป็นคนใจดําอย่างที่เราเห็นกันนะบางคนก็ร่างกายสมบูรณ์ดีแข็งแรงดี รูปร่างสละสลวยดีแต่ว่าใจดำอย่างนี้มีอยู่ทั้งไปเป็นคนชอบโกรธชอบผู้โกรธชอบเบียดเบียนผู้อื่นอะไรมวกนี้นะเราจะเห็นได้มีอยู่นี่แหละจะทำให้คนเราเนะี่ยมันงงเอ๊ะ่าร่าบุญตกแต่งใ ห, ให้ร่างกายนี่มันสมบูรณ์แล้วอย่างนี้นะ แล้วทำไมมันยังไปทำชั่วอยู่อย่างนั้นอืลอ่้นเชื่อบนตกแต่งนีวมันน่าจะทำให้ใจดีอันอย่างนี้เนี่ยมันทำให้คนเราสงสัยไม่น้อยเหมือนกันเรื่องมันนะกรบุญที่เขาทำมาแต่ก่อนน่นนะมันตกแต่งให้ได้แต่ร่างกายเท่านั้นมันตกแต่งใจให้ดีไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่ชาติก่อนน้น การทำบุญก็เพียงแค่ให้ทานรักษาสินไปตามมีตามได้เฉยๆเนี่ยไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ภาวนาไม่ได้ฝึกฝนจิตใจไม่ได้เจริญเมตตาการุณาให้แก่กล้าขึ้นในใจใจนั้นมีความโลภโกรธหลงหมักดองอยู่เมื่อเวลาใจเป็นบุญกุศลยินดีในบุญกุศล กิเลสเหล่านั้นมันก็นอนเนื่องอยู่ในใจนั่นแหละมันยังไม่ลุกขึ้นมาได้ในขณะที่ใจของคนพวกนั้นมันยังยิงยนดีในบุญกุศลอยู่คั้นพอมีเหตุไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามาแบบนี้นะมาสมทบกับกิเลสอันมีอยู่ในใจนั่นแต่ก่อนแล้วกิเลสเหล่านั้นมีกำลังกล้ามันก็ลุกเหอขึ้น ออทำจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยทำให้เป็นคนใจดำอามหิตไปเพราะกิกเลสอั น, น, นที่มันหมักดองอยู่นั่นนะเมื่อมันได้เชื้อจากภายนอกแล้วมันก็ทำให้มีอิทธิพลสามารถเผาร้นจิตใจนี้ให้เดือดร้อนไปเมื่อใจเดือดร้อนแล้วมันก็ใช้กายใช้วาจาทำชั่วผู้ชั่วไปของเขานั่นแหละ ก็อยู่อย่างนี้แหละ <c oughs> อันบุคคลผู้ที่ไม่ฝึกตนนะมันเป็นเหมือนกับกรำกงกำเกวียนนะโบราณท่านว่าไว้นะเหมือนกับมดแดงไต่ขอบกระด้งก็ว่าเรื่องวัฏตะโวนเนี่ยไตยไปไตามาอยู่งั้นแล้วไม่มีทางออก อ, อ เพราะว่าขอบกระดง้งล้วมันเป็นวงกลมนี่ไตวนอยู่อย่างนั้นเนี่ะนั่นไงจนขวามันจะรู้จักทางออกไปเมื่อใดนั้นแหละมันถึงจะออกจากขอบกระดงอันนั้นไปได้อันนี้ฉันใดจิตใจคนเรานี่ก็เป็นอย่างนั้นนะอืมเมื่อลามันยังหลงยังเมามากๆอยู่นนนะใครจะว่าอะไรให้ฟังก็ไม่เอาไม่เชื่อนั่นแหละ เถอมั่นในความเห็นของตัวเองสำคัญว่าความเห็นของตัวนมันถูกต้อง <c oughs> ที่แท้แล้วตนเห็นผิดอยู่ก็มีก็ไปถือมั่นในความเห็นของตนนั่นไปเมื่อตอนเห็นผิดไปถือมั่นความเห็นผิดไ้มันก็เป็นเหตุให้ทำบาปนี่ทำชั่วใส่ตัวเองโดยไม่รู้ตัวอะไรนี่แหละ คนเราเนะ่ะมันมันถึงออกจากวัตฏะอนอันนี้ไม่ได้เลยบุญกรรมตกแต่งให้ได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาโดยสมบูรณ์แล้วยังไม่คิดที่จะปรับปรุงใจตัวเองแบบ น, นี้นะพอยังอาศัยกายอันนี้ไปทำชั่วอยู่อีกพูดชั่วอีกนี่นะคนเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกรรมชั่วมันจึงค่อยติดสอย้อยตาม จึงอำนวยผลให้เพนทุก์ไปในสงสารหมุนไปเวียนมาอยู่ของเก่าอยู่เนี่ยเอา้าบางทีทําบุญกุศลไปถึงคาวบุญกุศลให้ผลก็มีความสุขความเจริญขึ้นได้ในชั่วระยะหนึ่งพอหมดบุญวาสนานั่นลงไปแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของกรรมชั่วที่ตัวทำเอาไว้นั้นมันตามสนองอีกออดังที่ท่านแสดงไว้ในตาราเนะเทวดาบางตนนะหมดอายุอยู่บนสวรรค์แล้วเพราะตายจากเทวดานะลงนระกเลยก็มีมันเป็นเช่นนั้นนะไม่ใช่ว่าเป็นเทวดาแล้วก็จะ ดีเลื่อยไปอย่างนั้นนะไม่ใช่คนะือว่าตั้งแต่เป็นมนุษย์เนี่ยทำชั่วก็ทำทำดีก็ทำบันนี้แต่ผมรู้มันจะทำดีมากกว่าทำชั่วนั้นเวลาจวนจะตายจิตใจมันก็ไปนึกถึงความดีได้ก่อนอันนี้ก็เลยไปเสวยผลแห่งบุญกุศลอ น, นั้นก่อนอ แต่คำชั่วมันก็สักตามสะกดลอยไปอยู่อย่างนั้นเลยฉังนั้นพอหมดบุญในสวรรค์นั่นอย่างว่านั่นเนี่ยคำชั่วมันก็ฉุดเอาลงนรกทันทีเลยมันคำชั่วมันมีกำลังกล้านีอมันยังมันจะให้ไปเกิดเป็นเปรตหรือเป็นสัตว์ประหลานหรือเป็นมนุษย์ขี้กระจอกกอกง่อยต่งตางๆของนี้ มันเป็นมันเป็นเป็นไม่ได้เพราะเพราะบาปมันมากเพะนั้นบาปกรรมนั้นมันจึงฉุดลงนรกเลยนี่พูดตามตำราจริงๆนั่นแหละบางรายก็ไม่ถึงอย่างนั้นตายจากเทวดาก็มาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างนี้แหละ มาเป็นมนุษย์แล้วถ้าคำเวณตัวเองมีแต่ชาติก่อนนั่นตามมาเอา้าคำเวณก็มาตามสนองเอาอีกเช่นอย่างเราจะเห็นได้คนบางคนนะเกิดมาแล้วมีเงินมีทองเข้าของมากมีลาบมียศมากไปไปแล้วคำเวณตามสนองเอาเอา้าถูกเขาฆ่าตาย พาดผ้าจากของรักของชอบใจต่างๆไปอย่างนี้นะถ้าถ้าเขาทําไห้กรำไม่หนักถึงราะนั้นก็เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างรุนแรงเช่นเป็นโรคมะเร็งอย่างนี้นะเงินทองมีเป็นร้อยล้านพันล้านก็ช่วยไม่ได้เลยหมอก็ช่วยไม่ได้โรคมะเร็งมีแต่ตายลูกเดียว อย่างนี้มีอยู่ทั้งไปนะคนรวยๆแล้วเป็นโรคมะเร็งตายมันนี้มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ว่าเป็นโรคมะเร็งตั้งแต่คนชั้นกลางหรือชั้นต่ำเท่านั้นไม่ใช่คนรวยๆก็มีสิทธิ์เป็นได้เหมือนกั น, นหรือไม่ใช่โรคมะเร็งก็โรคอย่างอื่นโรคายแรงอย่างอื่นมันเบียดเบียนเอารักษายอย่างไรก็ไม่หายบางรายก็เลยตายไปพร้อมกับโรคอันนั้นเลย นี่แสดงเรื่องบุญเรื่องบาปถูกกันฟังเรื่องมันะนั้นเป็นอย่างนี้คนเราทำทั้งบุญทั้งบาปชีวิตนี้มันจึงหมุนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ไม่รู้จักจบนั่นเนี่ยเขาเกิดมาบางชาติบตได้ครบนักปราชญ์บัณฑิตทำบุญกุศลไปตายแล้วก็ไปสู่สุขสบาย ท่านกลับมาเกิดในโลกนี้อีกผลมาคบกับคนพาลเขาเขาคนพาลน่บชักชวนทำกรรมชั่วเข้าไปอย่างนี้ตายลงไปแล้วก็ไปไม่ในนรกอบายูมิต่อไปอนี่แหละพ้นจากโนรกมาแล้วก็มาเป็นคนดีต่อไปเพราะบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันอำนวยผลให้ บุญอันนั้นมันบุญอันเป็นส่วนโลกีมันอํานวยผลให้จะเกิดมาเป็นคนหมีเงินทองเข้าของพอประมาณแต่ไม่มีปัญญาที่จะละความชั่วออกจากใจนั่นสําคัญตรงนั้นแหละไม่มีปัญญาที่จะละความโลภความโกรธความหลงออกจา ก, กจิตใจได้หมายความว่าไม่ได้ทํากิเลสเหล่านี้ให้เบาบางเลย ดังนั้นคนเราถึงจะได้เกิดมาเป็นคนมีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์มีสมบัติเข้าของเงินทองพอประมาณก็ตามแต่บางคนก็ทำความดีไม่ได้ดังที่เราคงเห็นกันอยู่ในสังเกตดัวทำไมหนอเขายังทาความดีไม่ได้ทั้งที่เขาก็มีเงินมีทองมีฐานะดีรูปร่างก็ดีอย่างนี้นะมันน่าคิดอยู่เหมือนกันนี่ นั่นแหละให้เข้าใจไว้คนทาบุญกุศลไม่ครบวงจรนี่ขาดฟังธรรมขาดภาวนาขาดรักษาโวสตศรรีลถ้าเป็นทา ย, ยกษายิกาก็ดีได้แก่ทาบุญให้ทานเข้าของเงินทองไปตามอณีนิอกรรมารักษาศรรีลก่อนนี่เมื่อไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ภาวนา แล้วปัญญาก็ไม่มีวบบนี้เมื่อปัญญาไม่มีแล้วมันก็ลากกิเลสไม่ได้ทำกิเลสให้เบาบางออกจา ก, กจิตใจไม่ได้เลยใครเราจะมาลากกิเลสให้เราไม่มีแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะไปขับไล่กิเลสออกจา ก, กจิตใจของใครต่อใครไม่ได้เลยพระองค์ก็เป็นแต่เพียงแนะายวิธีให้เท่านั้นเอง พระองค์เป็นแต่เพียงแนะอุบายสำหรับที่จะกำหนดละกิเลสตัณหาเหล่านั้นให้เราจะทำใจอย่างไรนี่พระองค์เจ้าก็แนะนำอันบุคคลจะละกิเลสเหล่านี้ได้มันก็ต้องเห็นแจ้งในขันห้านี่ต้องเห็นว่าขันห้านี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไร นี่เมื่อมามองดูร่างกายสังขารอันนี้แล้วเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนไม่มีแกนสารอะไรอย่างนี้แล้วไม่ทราบว่าจะไปโลภไปโกรธไปหลงเอาทำไมอะ่ะเอาอะไรกันจะไปมัวเมาเอาอะไรกันตั้งแต่ร่างกายที่เป็นที่อาศัยของดวงขิดนี้มันก็ยังไม่เที่ยงอยู่แล้วและวันนี้สิ่งต่างๆภายนอกนอกร่างกายออกไปนี้ มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นนะไม่เที่ยงเหมือนกันเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็วันเทาความโลภความโกรธความหลงลงได้จะไปโกรธใครลรืไม่ไม่มีคนจะให้โกรธนี้มันมองเห็นด้วยปัญญาแล้วนี่คนไม่มีสัตว์ไม่มีขันหา น, นี่สมมุติเอาสังหากถ้าไม่สมมุติละสมมุติอันนี้เสีย เพ่งดูความจริงเข้าไปมันก็มีแ ต, ต่สภาวธรรมอาศัยกันอยู่เท่านี้เองนะรูปกายอันนี้นไม่มีอะไรสภาวธาตุธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งหกหรือธาตุสิบแปดอินทรีย์ี่สิบสองริยสัจจะทำทั้งสี่อะไรหมอ น, นี่นะมันมันเป็นสภาวธรรมทั้งหมด ก็คนค้นเอาในกายนี่เองเนี่ยไม่ไม่ใช่เอามาแต่ที่อื่นอินซีก็เหมือนกันนะสัตินชีวิทยินซีสตินซีสมาซินรีปัญญินรีก็นีจะขุนซีโสตินรีโมเนี้านินรีชิวหินซีกายินรีมะนินซี อินทรีย์ใดว่าความเป็นใหญ่ในกิจของตนโดยตรงเช่นตามีหน้าที่เห็นรูปโดยเฉพาะตาจะไปฟังเสียงไม่ได้เช่นหูก็มีหน้าที่ฟังเสียงโดยตรงหูจะไปเห็นรูปไม่ได้อย่างนี้เลยจมูกก็มีหน้าที่สูดกลิ่นโดยตรงจะไปเห็นรูปฟังเสียงก็ไม่ได้อีก ลิ้นก็มีหน้าที่รับรสอาหารโดยตรงจะไปรู้อย่างอื่นไม่ได้ เ, เป็นยงนั้นกายก็มีหน้าที่สัมผัสกับเย็นร้อนอ่อนแข็งไปเท่านั้นอร่างกายอันนี้มันจะไปเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นอะไรนี่ไม่ได้ออสําหรับใจแล้วนั่นมีหน้าที่รับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้น ทั้งหมดเลยแบบนี้นะอารมณ์ทั้งห้านั้นไหลรวมลงสู่ใจดวงเดียวจะเป็นอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วอารมณ์ไม่ดีไม่ชั่วอะไรมันก็ไหลลงสู่ใจนั้นหมดเลยมันเป็นยางงเพราะฉะนั้นเนเมื่อใจได้รับสัมผัสกับอารมณ์เหล่านั้นแล้วไม่รู้เท่า มันก็หลงยินดีหลงยินร้ายหลงเสียใจเศร้าโศกขับแค้นไปตามอารมณ์นั้นนั้นเพราะว่าอารมณ์เหล่านั้นน่ะมันมีทั้งอารมณ์ดีมีทั้งอารมณ์ที่ให้เกิดความยินดีพอใจก็มีอารมณ์ที่ให้เกิดความยินร้ายพอาไม่ชอบใจต่งตางๆก็มีเป็นอารมณ์ที่ ไม่ดีไม่ชั่วให้เกิดความรู้สึกเฉยๆต่ออารมณ์เหล่านั้นอย่างนี้ก็มีนี่ดังนั้นผู้ภาวนานะมันก็ต้องแจ้งอารมณ์ต่างๆเหล่ า, านี้ออกไปให้รู้ให้เห็นตามสภาพความจริงเมื่อเราอ่านดูอยู่อย่างนี้สเสมอๆไปพิจารณาอยู่เนี่ย ความรู้ความเห็นอันนี้มันก็ยิ่งขึ้นมันก็แจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมออันนี้พอนึกกำหนดพิจารณาเวลาไหนมันก็เห็นแจ่มแจ้งในสภาวธรรมเหล่านี้ขณะนั่นแหละกำหนดพิจารณาเวลาใดก็เห็นเวลานั้นก็รู้ขึ้นมาเวลานั้น ถัาภาวะทรทำที่เป็นกุศลก็รู้อืนั้นว่าจิตใจที่เปี่ยมอยู่ด้วยเมตตากรุณาอย่างนี้นะเห็นใจตัวเองนั้นไม่โกรธไม่เกลียดใครมีแต่มุ่งหวังที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเป็นถูกทั่วหน้ากันอยู่อย่างนั้นไม่ผูกโกรธกับใคร แม้ใครจะมาชวนทะเละวิวาดก็ไม่เอาอภัยให้เขาไปเรื่อยๆไปก็ใจอย่างนี้นะท่านในว่าใจกุศลนนใจเป็นกุศลทมกุศลทมเกิดขึ้นในใจมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะแลโครงกันข้ามถ้าว่าใจนั้นเป็นคนใจดำ ไม่ยอมอภัยให้แก่บุคคลผู้ผิดผู้ที่เขามาล่วงเกินตนอย่างนี้นะจะเมื่อเขามาล่วงเกินตนแล้วตนก็ไม่ยอมอภัยให้ผู้โกรธไว้หาทางแก้แค้นเข้าไปอย่างนี้ท่านเรียก ว, ว่าจิตใจของครนั้นอยู่ด้วยอากุสนธรรมมีอากุสนธรรมเป็นเครื่องอยู่นี่เราต้องเรียนรู้กระแสจิตอย่างนี้ การภาวนาถ้าใครไม่สนใจเรื่องกิริยาจิตกระแสจิตอย่างว่านี้แล้วมันก็แยกบุญกับบาปออกจากกันไม่ได้เลยก็ปนเปนกันไปอยู่นั่นเลยเอาคราวใจบุญใจบุญไปคราวใจบาปก็ใจบาปไปไอ้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยมันไม่ไม่เป็นไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ชื่อว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอืเรื่องมันนะให้พากันเข้าใจเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมุ่งหวังให้พุทธบริษัทนั้นให้รู้จักแยกแยะอันนี้เป็นบาปอากุศลควรละอย่างนี้นะ่ะให้รู้อืเมื่อรู้แล้วก็ละมันไม่วิตกไม่คิดมันขึ้นมาอีก อันนี้เป็นความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็รู้เมื่อรู้เนี่ยก็ประคับประคองความเห็นความคิดอ น, นันไว้นั่นะรักษาความคิดความเห็นอันนันไว้อย่าให้มันเสื่อ ม, อ, มอย่างนี้และจึงเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในกระบวนการจิตการภาวนามันต้องค้นดูเพ่งพินิจ ด, ดู กระบวนจิตของตัวเองให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วอันเรื่องบุญกบาฏนี่มันก็เป็นคู่กันไปเลยลในจิตใจของคนเรานี่นะอย่าไปเข้าใจว่ามันจะเอละเลิกไปไม่ได้ดอกถ้าหา ก, กว่าผู้นั้นไม่กําหนดละมันนะก็เช่นอย่างว่าเมื่อมันเรื่องไม่ดีกระเทาะกระทั่งมา มันอยากโกรธขึ้นมานี่ก็โกรธไปซะไม่ได้ทวนกระแสะจิตเลยว่าเอ๊ะโกรธนี่มันไม่ดีนะมันมีโทษนะไม่ได้ทวนกระแสะจิตอย่างนี้เลยนะมีแต่โกรธไปลูกเดียวเช่นนี้แล้วจะเชื่อว่าเป็นผูละ ก, กิเลสอย่างไรแล้วะนะจนถ้ามันร้อนไปพอแรงแล้วนั่นจึงรู้ตัวขึ้นภายหลัง ว่าเออไอเรานี่มันเผลอไปแล้วอย่างนี้นะแท้ที่จริงแล้วมันไปพอแรงแล้วมันสร้างอากุศลขึ้นในจิตนั้นมากแล้วยากที่มันจะละได้แบบนี้นะว่าอย่างละได้ก็ละเบาบางลงไปเท่านั้นแหละมันไม่ได้ละจริงจริงกันเลยนะ การที่จะละให้มันขาดไปจริงๆนมันไม่ไม่ยอมปล่อยให้มันจิตไปตกวิจาร์ไปในเรื่องชั่วเหล่านั้นนมนานอะไรพอมันเผลอวิตกอกุศลวิตกเกิดขึ้นในใจขณะใดรู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละมันไปเลยอย่าทันให้มันก่อตัวให้มีกำลังมากขึ้นในจิตใจของตน เช่นนี้แหละจึงเป็นอุบายละบาปอาคุศลออกจากดวงกิจนี้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าบาปอากุศนอันนี้มันจะระงับไปเองโดยที่บุคคลไม่ได้เพียรละมันอย่าไปเข้าใจไปอย่างนั้นมันผิดทางไปเหมือนอย่างหญ้าอยู่ในพื้นดินนี่นะ ในเมื่อรากมันมีเง่ามันมีอย่างนี้แลถึงแม้ว่าใครจะตัดจะฟันมันฟันใบฟันตอ่อฟันต้นมันให้ขาดออกไปแล้วก็ชันะ้แต่รากมันมีอยู่พอฝนตกลงมาลดเข้ามันก็แตกแหนงออกมาอีกเป็นต้นเป็นกอขึ้นมาใหม่อีกอย่างนั้นแหละอันนี้กิเลสในใจของคนเราเนี่ยหรือว่าบาป กรรมทั้งหลายเหล่านี้นะมันก็มีรากนะรากของบาปกรรมก็ความโลภความโกรธความหลงนั่นนะเป็นรากเป็นเง้าของบาปกรรมนี่มันต้องเข้าใจกันอย่างนี้แตนแล้นเมื่อผู้ใดกําหนดเพีย้ยงภาคเพียรยายามละความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้ให้เบาบางไปเท่าใดนะบาปอากุศลมันก็เบาไปเท่านั้นแหละ มันก็หมดไปเบาไปเท่านั้นแหละขอให้พากันเข้าใจไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับเอาจนไม่สามารถจะมองเห็นได้เลยไม่ใช่นะมันเห็นได้ทุกคนแหละในใจของใครของเราอยู่ภายในนี่นะอา้าวทำไมจะไม่เห็นตนโกรธขึ้นมานี่ตนก็รู้ว่าตนโกรธไม่ใช่เลยนี่จะรู้แล้วแต่ว่ามันทังไม่ไม่เห็นโทษของมันเท่านั้นเองนี่ รู้ว่าทนโกรธขึ้นมาก็ส่งเสริมมันไปซ้าอย่างนี้นะมันก็ลุกรามใหญ่โตขึ้นไปเท่านั้นเองเนี่ยมันก็กลายเป็นบาปอคุศลนขึ้นไปเมื่อมันลุกรามมากขึ้นแล้วมันแสดงออกทางกายทางวาจาเรื่องมันน่ะสาเหตุที่มันจะเป็นบาปอกุศลนรุนแรงขึ้นไปมันเป็นอย่างนั้นลาพังที่มันโกรธอยู่ในใจเนี่ยมันเพียงก่อตัวขึ้นครั้งแรก ก่อนอเหมือนยังไฟเมื่อมันยังเท่าของมันยังกรบทานอยู่อย่างนี้นี่มันก็ยังไม่มีควันมีเปลวอะไรออกมามันนี่เมื่อบุคคลเอาเชื้อย้าแห้งไปใส่เข้าไปเมื่อมันได้เชื้ออย่างนีน้มันก็ค่อยมีควันขึ้นมาน้อยๆนานเข้าควันนั้นก็ มากขึ้นมากขึ้นในที่ถือ ก, กลุกปเป็นเปลวขึ้นไปออมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นนะการที่บุคคลเอาย่าแห้งไปใส่ไฟที่หมกเท่าอยู่นั้นนะก็ได้แก่บุคคลผู้ไม่รู้เท่าอารมณ์ภายนอกเช่นอย่างมีคนอื่นเขา ด่าว่าตีเตียนมาอย่างนี้นะนั่นแหละแล้วไม่รู้เท่าคําด่าว่าตีเตียนอันนั้นไปยึดถือเอาคําด่าคําว่าของคนอื่นมาสมทบกับความโกรธที่มันหมักหมมอยู่ในใจมาแล้วนั้นนะนั่นแหละความโกรธอันนั้นมันได้เชื่อแล้วมันก็ลุกโผลงขึ้นเออเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะให้พากันเข้าใจ ที่ีการที่บุคคลเป็นผู้มีสติมีภาวนาอยู่มีพุทธโธอยู่ในใจพุทธโธไปว่าพูดตื่นอยู่รู้ตัวอยู่รู้ความชั่วความดีอยู่อันนั้นเป็นเรื่องชั่วพอมันมาถึงตัวก็รู้ทันทีว่านั้นเป็นเรื่องชั่วอย่างนี้ก็รู้ว่าเรื่องชั่วแล้วก็ไม่ยึดถือเอามันไว้อย่างนี้นะมันก็เหมือนอย่างบบุคคลที่ไม่เอาย้าแห้งไปโยนเข้ากองไฟนั่นเองเนี่ยอัน เมื่อไม่ยึดถือมันมันก็ดับไปเองของมันนะเรื่องชั่วต่างๆเหล่านั้นนะมันก็ดับไปเองมันแม่เรื่องที่ให้เกิดความรักความใคร่ต่างๆมันก็เหมือนกันเราต้องกำหนดรู้ว่ามันเป็นความชั่วอย่าไปนึกว่าเป็นเรื่องดีความรักความใคร่ก็ดีมันเป็นมูลเหตุที่ย้ายคนเราทำความชั่วหมายความว่ายอย่างนั้นแต่เมื่อมันเริ่มก่อตัวขั้แรกนี้มันก็ยังหรอก ยังไม่ได้ทําความชั่วเท่าก่อนอต่อมันมันเ ก, ก่อตัวมากมากขึ้นไปแล้วถ้าเป็นพระเป็นเดนมันก็เอาล่วงสีขาบทวินัยน้อยใหญ่เข้าไปแล้ววันนี้นะถ้าเป็นกระลือหัดกระล่วงศีลของกระลือหัดไปเพราะความรักความใคร่นั้นนะเป็นมูลเหตุ่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปส่งเสริมความรักความใคร่ัน็นมูลเหตุเนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปส่งเสริมความรักความใคร่นั้นเป็นมหตุเน่นเป็ น, ในใอางนี้เองมน พยายามตัดทอนมันให้เบาบางลงไปเรื่อยๆโดยที่เราห้ามจิตของตัวเองให้ได้ไม่ให้ยึดเอาอารมณ์เหล่านั้นที่มันกระทบกระทั่งมานะอืห้ามจิตตัวเองไว้ไม่ยึดถือเอามันคมจิตไว้ได้จิตตั้งมั่นลงไปแล้วไม่ยึดถือแล้วมันก็ดับไปเองมันอารมณ์เหล่านั้นนะอมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็หมายถึงปฏิบัติตัวเองนี่แหละให้เข้าใจตามที่ชี้แจงมานี่นะร้วนแต่เรื่องเป็นการปฏิบัติตัวเองนะฝึกตัวเองฝึกจิตใจตรงนี้ให้มันฉลาดให้มันรู้จักละกกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต่างๆหมเนี้ให้ได้นี่ก็เช่นเมื่อรูปมากระทบตานี่นะ บุคคผู้ไม่มีปัญญาถ้าเป็นรูปสวยรูปงามมันก็หลงรักไปอย่างนี้นะยกตัวอย่างให้ฟังถ้ารูปที่ร้ายน่าเกลียดมันกระทบตาเข้ามาใจมันก็เกลียดชังรูปนั้นไปเอออย่างนี้แหละเรียกว่าจิตไม่มีปัญญาไม่มีอุบายอือทีนี้ถ้าผู้ฝึ ก, กจิตของตัวเองเนะียพอรูปที่น่ารักมากระทบเข้าอย่างนี้ มันจะกำหนดที่เจรนาลูกนั่นว่าไม่สวยไม่งามตามสมมุติของโลกความจริงแล้วไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรขี้ร้ายเพราะเป็นของแตกของดับถึงแม้โลกเขาสมมุติว่าสวยงามมันก็สวยงามอยู่ั่วคราวเท่านั้นแหละไปๆไปแล้วมันก็วิบัติแปลปวนไปมันก็เลยกลายเป็นของไม่สวยไม่งามไปตามนิยมสมมติของโลกนั่นแหละ มันการที่มีอุบายเยบใครในใจอย่างนี้นะนี่ท่านเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญารู้จักสอนใจของตัวเองไม่ให้หลงในสิ่งที่ตนเคยหลงมานับเป็นอเ น, นกชาติมาแล้วเคยหลงรูปอันนี้มานับชาติไม่ถ่วนแล้วนะเป็นทุกข์เพราะความยินดียินร้ายต่อรูปอันเนี้ยมานับชาติไม่ท่วนแล้ว มาชาตินี้ก็ยังจะมาหลงอีกมาได้พบพุทธศาสนาแล้วอย่างนี้ก็ยังจะมาหลงมันอีกมาติดพันมันอยู่อีกเมื่อไรเราถึงจะพ้นทุกข์ไปได้ก็ต้องใช้อุบายแยบคายสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้บ่อยๆเข้าใจนี่เมื่อปัญญามันสอนเข้าไปแล้วแล้วมันก็เห็นแจ้งที่ว่านี้นะอะมันก็เห็นแจ้งตามเป็นจริงนั่นเอง เมื่อมันเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วมันก็คลายความรักความใคร่นั้นออกไปคลายความโกรธออกไปเพราะว่ารูปนี้มันแตกมันดับไม่ทราบจะไปโกรธทำไมนี่มันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ไม่โกรธรูปนี้เป็นของไม่กิรังยั่งยืนไม่ทราบจะหลงไปทำไมอ่ะนั่น หลงไปสำคัญเอาไปของเรามันก็ไม่ใช่ของเรามันก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลยเมื่อหมดปุนหมดกรรมแล้วกายก็ไปพอกายจิตก็ไปพอจิตไม่ได้หอบเอากันไปที่ไหนเลยกายก็ทอดทิ้งลงสู่พื้นดินจิตใจก็ไปตามกรรมอืผู้ใดทำกรรมใดไว้กรรมนั่นก็เป็นพาหะนำไปสู่พบน้อยพบใจ ไปอาศัยรูปกายเกิดขึ้นมาอีกกำหนแต่งให้เอเกิดขึ้นมาแล้วนอ น, ห, นหมดเขตของบุญอันนั้นแล้วมันก็แยกกันออกไปคนละทางเป็นอยู่อย่างนี้แหละสัตว์โลกอันนี้น่ะให้พึ่งเข้าใจแล้วในที่สุดก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรจริงๆเนี่ยเราคิดดูเราเที่ยวเกิดเที่ยวตายมาแต่ในอดีตไม่รู้ว่ากี่ชาติแล้ว แล้วเมื่อมาเกิดมาในชาตินี้เราเอาอะไรมาด้วยบ่ะนี้สมบัติเงินทองที่เราหวแงแหนว่าของเราจะในอดีตชาติโน่นนะมีไหมที่มันติดตัวมานะไม่มีเลยนี่แหละลาบยศสนเสริญก็เหมือนกันนะนเราไม่เห็นว่าได้อะไรอนะ่ะนั่นเนี่ยมันก็ได้ตั้งแต่ร่างกายอันนี้เท่านั้นเองนี่ร่างกายอันนี้ก็ได้มาจากธาตุ ของมัรดาบิดาเท่านั้นเองนะไม่ใช่ของตัวเองนะดวงขิดนี่อาศัยธาตุของมัรดาบิดาอยู่เลยทุกวันนี้นะให้เข้าใจธาตุของมันดาบิดาก็าทาธาตุสี่นั่นเองเนะี่ยไม่ใช่อย่างอื่นใดดินน้ำไฟลมนะเมื่อมันแตกทำลายลงไปมันก็ไปเป็นดินน้ำไฟลมของเก่านั้นเองนะ นี่แหละอุบายแยบคายในใจให้พึ่งพากันเข้าใจนั่งภาวนานะเราจะไปนั่งอยู่เฉยๆเราไม่มีอุบายแยบคลายอะไรเลยอย่างเนี้มันมันก็ไม่ก้าวหน้าอะไรเลยอืแทนที่จะเบื่อจะหน่ายในวตาสงสารนี่มันก็ไม่เบื่อไม่หน่ายเลยแทนที่มันจะคลายความรักความชังอะไรลงไปบ้างก็ไม่ไม่คลายเลยนับว่า ภาวนาไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาพิจารณาให้มันได้ผลตั้งี่ปัณนาให้ฟังมานี่ก็นับว่าไม่เสียทีที่เราได้เกิดมาชาตินี้ได้มาพบพระพุทธศาสนาเราได้มาชำระล้างกายวาจชาใชจของตนให้สะอาดตามความสามารถของตนของตน ดังกล่าวมาขอยุติลงเพียงเท่านี้